คำนำสำนักพิมพ์หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านซึ่งเขียนโดยคุณดังตรินเป็นที่รู้จักในแวดวงหนังสือตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2547และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆอีกมากไม่จำกัดตัวอยู่เฉพาะในหน้าหนังสืออย่างเดียว นอกจากชื่อหนังสือจะท้าทายให้อยากดูส้นหน่อยว่าข้างในเขียนไว้อย่างไรเนื้อหาอันเป็นแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ก็ยังจุดชนวนความพิศวงชวนให้ผู้อ่านงุนงงว่าพระพุทธศาสนาให้คาตอบเกี่ยวกับชีวิตไว้ละเอียดแจ่มแจ้งขนาดนี้ทีเดียวหรือในมือของคุณคือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านจะบับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์่าวฟารวมเอาเนื้อหาสาคัญที่ผู้อ่านส่งเสียงสะท้อนมาว่า อยากรู้ที่สุดในรูปแบบที่กระชับที่สุดเพื่อให้จับฉวยเอาใจความสำคัญได้รวดเร็วที่สุดอ่านจบแล้วคุณจะเห็นด้วยกับเราว่าไม่เสียดายที่ได้อ่านก่อนตายจริงๆสำนักพิมพ์หาวฟ้า